เราทุกคนเปรียบเหมือนนอโบวเกลือกลัวคล้าโคลนกิเลสมายา <lips> เวียนวายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกวา่าจะพลกรกรรมสายน้ำเวียนทุกระธม